เห็ น, ห น, หนใช่ไหารพิจารณาดูไม่ใช่ไม่ใช่พูดคําพูดนะคือคือการดูรู้เห็นการดูมันเล่นๆดูอยู่นั่น น, ะน่ะนะว่การวิจัยการพิจารณาสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นโดยไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้บัญญัตินะคือไม่ต้องใช้คําพูดเห็นพวกปวดกําลังเกิดขึ้นอย่างเนี้ยเราก็วิจัยคือคือพิจารณา ุบคมีปัญหาเรื่องภาษานิดหน่อยตัวในใช้คำว่าวิจัยแล้วก็พิจารณาคำพิจารณานี่มาจากคำว่าวิจารณ์ใช่ไหมวิจัยกับวิจารณ์มันต่างกันนะในบทสวดว่าด้วยเหตุเกิดทุกข์เนี่ย ธรรมะวิตกธรรมะวิจารณธรรมะสัญญาพวกนี้เป็นเป็นเหตุเกิดทุกข์อยู่นะนะเช่นเวลาเราเราพิจารณาว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราคิดไป อ, อนิจจังไปอย่างนี้อนัตตาเป็นอย่างนี้ทุกข์เป็นอย่างนี้เราคิดไปโดยที่ไม่ได้สอดคล้องกับความจริงในขณะนั้นอันนี้เป็นวิจารณ์วิจารณ์มาจากคําว่าพิจารณากับวิจารณ์ เพราะฉะนั้นในวิจัยเนี่ยกับวิจารณ์ต่างกันวิจารณ์เป็นเหตุเกิดทุกข์วิจารณ์เป็นส่วนหนึ่งของสังขารแต่วิจัยนั้นมันอลึกหรือสำนึกแล้วก็พิจารณาใช้คาว่าพิจารณา มันจะไกล้เข้ามาใช้กับวิจัยวิจารณาซึ่งความจริงไม่ใช่พิจารณา์เขาเรียกว่าสํารวจตรวจสอบะระลึกรู้ข้อเท็จจริงในขณะนั้นสมม่าเรานั่งขณะนี้เราเราร้อนใช่ไหมร้อนแล้วก็เห็นความร้อนความร้อนเป็นอย่างไรนะความร้อนมันมีผลให้เราต้องลุกขึ้นไปเปิดหน้าต่างอย่างนี้เนะี่ยการเรียกวิวจัย วิจัย <laughs> นี่คือมาพูดถึงข้อเท็จจริงในขณะนั้นว่าความรู้สึกร้อนรู้สึกร้อนนี่มันก็ไปกระตุ้นความอยากใช่ไหมความอยากนี่มันก็จะยกตัวเราไปตัวเราจะหนักเป็นหลายสิบกิโลมันก็ยกไวเฉยเลยเพราะงั้นความอยากมันมีพลังมากเหมานะ่ะนี่คือเรา ว, าวิจัยในสิ่งที่เกิดหรือเรารู้สึกหิวแล้วก็ลุกขึ้นไปหาข้าวกินทั้งๆงที่ว่าตัวเราหนักหลายสิบกิโลแต่ความอยากสามารถยกเราไปได้ อย่างเบาสบายมากปบแป๊บไปเลยใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราไม่เต็มใจจะไปใครมาลากมาชุดเราเนี่ยโยากมากนะใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราเต็มใจไปเองนี่พุบแป๊บไปเลยความอยากมันมีพลังผลักดันเราเราก็เข้าไปวิจัยความอยากในขณะนั้นที่นี่การวิจัยธรรมเนี่ยวิจัยธรรมซึ่งถ้าการวิจัยข้างนอกเขาก็จะมีข้อมูลมีหลักฐานมีการ พิสูจน์อะไรต่างๆแต่ใ น, นแง่ของนามธรรมเราจะหาหลักฐานหาข้อมูลได้อย่างไรจก็ <c oughs> คือในส่วนที่เป็นด้านนามธรรมคือมีอยู่แล้วในในกายในใจของคนทุกคนนะครับเพราะว่าในอาการที่เกิดขึ้นมีอยู่ตลอดเวลาทั้งรูปประคันทั้งรูปประธาต รูปธรรมคือตัวเรานะก็มีอาการต่างๆมีความรู้สึกต่างๆรูปอาการนีคือทางด้านจิตใจทางด้านความคิดความรู้สึกนะครับที่มันมีอยู่ตลอดเวลาก็เลยไม่ได้ไปไปหาไปคิดหาเพราะว่ามันมีอยู่แล้วเกิดขึ้นอยู่ตลอดอะไรที่เกิดขึ้นก่อนพิจารณาก่อนก็หมดรู้ก่อนอย่างเนี้ยหรือบางที อะไรที่มันเกิดขึ้นคล้ายๆกับมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันแต่ว่าในส่วนที่เกิดจากทางรูปอย่างเนี้ยแต่ว่าอันไหนที่มันชัดก็ให้ดูอันนั้นที่มันชัดอย่างสมมุติว่าถ้านั่งอยู่อย่างนี้อาการอความร้อนอาจจะไม่ชัดเท่ากับความปวดอย่างเนี้ยมันก็เกิดขึ้นพร้อมกันร้อนกับปวดก็เกิดขึ้นพร้อมกันแต่ว่าความปวดอาจจะชัดกว่าก็ให้รู้ความปวดอย่างเนี้ แต่ว่าถ้าอาการทางจิตถ้าความสิ่งที่รับรู้เกิดจากความคิดแต่ว่าไม่ความคิดบางอย่างมันไม่ชัดหรือว่าสิ่งที่กรมากระทบทางใจอย่างนี้บางอย่างรับรู้มันไม่ชัดแต่ว่าบางอย่างนี่ถ้าเป็นอารมณ์อย่างนี้<ง>อารมณ์ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบความรู้สึกงุนงิดความรู้สึก อพอใจหรือไม่พอใจอะไรพวกนี้นถ้ามันชัดกว่าก็ให้ดูอันนั้นเป็นหลักที่ก็คือมองสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มีอารมณ์พวกนี้ชัดอันนี้ก็ให้ดูความเป็นปกติที่ที่มันมีอยู่ที่กำลังดำเนินอยู่ในเวลาปัจจุบันนะครับก็<ะ>หมายถึงว่าเอาอาการที่ปรากฏในขณะ น, นั้นขึ้นมาเป็นข้อมูลว่างั้นเถอะใช่ไหม อือาการแล้วที่สมมุติอาการของไข่ของมันก็รู้ของไข่ของมันนะะนั้นแสดงว่าการวิจัยเนี่ยธรรมวิจัยเนี่ยต้องทอําตัวไข่ตัวมันเท่านั้นจะทําให้กันและกันไม่ได้ใช่ไหมถ้าเป็นงานอย่างอื่นเนี่ยเราก็ทําส่งงานวิจัยภายนอกเราทําส่งครูบาอาจารย์ทําส่งผู้ที่เป็นผู้ตรวจงานของเราเนะี่ยแต่ว่าธรรมวิจัยานี่เราจะทําส่งใครไม่ได้ใช่ไหม เาต้องทำส่งตัวเองเถอะว่าเราจะรู้อาการของเราเองในขณะนี้ธรรมวิจยะของโยมรัตนาหรือกับธรรมวิจยะของโยมซีฟองเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะโยมซีฟองนี่มสมมติว่านั่งนานนะปวดเอวแต่โยมรัตนากลับไปปวดหัวยังไงเนะี่ยวันนี้อาบน้ำร้อนเยอะไปหน่อยปวดหัวอย่างเงี้ยแต่อาการปวดหัวเนี่ยมันแรงกว่าปวดเอวในขณะนั้น เราก็ไปวิจัยในส่วนที่มันชัดกว่าว่างั้นเถ อ, <Okay. S 2> อะแต่อาการไหนชัดกับเพราะในอาการที่ปรากฏในกายของเราเนี่ยมันมีเยอะนะทุกขเวทนามีปวดหัวปว ด, ปวดท้องปวดแข้งปวดขาปวดหน้าปวดหลังแต่เราเลือกเอาอาการเดียวที่มันชัดว่างั้นเถอะ <Okay. S 2> แต่ทีเราไปพิจารณาว่าอย่างไงไปไปวิจัยว่าอย่างไงมันถึงจะถูกทาดูมันเฉยๆหรือวิจัยยังไงครับ าอาการที่อะไรที่มันชัดแล้วมันปรากฏขึ้นก็คือกําหนดรู้พิจารณาก็คือกําหนดรู้เฉยๆนั่นแหละครับอันดับแรกก็คือให้เห็นอาการที่กําลังเกิดขึ้นถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็คือก็กําหนดรู้แต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นก็ก่อนที่จะกําหนดรู้ทุกครั้งก่อนที่จะเปลี่ยนทุกครั้งก็ต้องดูมันไปสักพักหนึ่ง ดูให้แน่ใจให้เข้าใจให้ชัดเจนว่าไม่เป็นผู้เป็นในอารมณ์นั้นคือเป็นผู้ดูได้ชัดเจนดูดูแล้วรู้สึกว่าใจเนี่ยไม่เข้าไปเป็นตัวหนึ่งเป็นตัวดูตัวหนึ่งเป็นตั ว, ต ว, ตวถูกดูถ้าเห็นได้ชัดอย่างนี้ก็คื อ, อได้วิจัยธรรมนะครับ นิจใจว่าไม่ให้เข้าไปดูว่าเป็นไม่เข้าไปเป็นว่างี้ยเถอะแต่เข้าไปดูความเป็นของมันว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาหรือเปล่าครับไม่บอกให้หมวนนี่นะนี่อ่ำๆเอาไว้หน่อยว่าเงี้ยมีการเอามาไว้ในะธรรมะนี่นะมาดูอาการถ้าเราไม่เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาของมันมันก็ต้องเราเข้าไปเป็นมันมันจะต้องเป็นเราใช่ไหมครับอืมแล้วมันต้องเป็นเราแน่นอนเลย เพราะฉะนั้นเราต้องดูไว้ก่อนว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าเป็นอนัตตานั่นแหละนะหรือเป็นอนิจจังเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เราจะเหมองตัวสุดท้ายว่าเป็นอนัตตาว่ามันเป็นอนัตตานะไม่ใช่เป็นเรานะถ้าเราเห็นอนัตตามันก็ไม่เป็นอัตตาคือไม่เป็นเราแต่ถ้าเราไม่เห็นอนัตตาของมันมันก็เป็นอะไรเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นต้องเห็นให้ชัดเพราะฉะนั้นตัวไอ ธรรมวิจยะเนี่ยคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยมีโอกาสได้เห็นไหมครับก็ได้เห็นครับทุกคนอาการทั้งหมดเนี่ยได้เห็นแต่ว่าเห็นแต่จะเป็นเห็นแบบชิดถิวิปลาสนะครับก็หมายถึงว่าเห็นแบบเป็นอัตตาก็คือเห็นเห็นแบบเป็นแต่ถ้าผู้ที่ปฏิบัติธรรมจะเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา แต่ผู้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมจะเห็นเป็นนิจังสุขังและอัตตาครับ ก, ก็ต่างกันั้งนี้แหละครับถ้าเห็นแบบว่าเป็นนิจังสุขังอัตตาเนี่เป็นวิปลาสางั้นเหครับผมเพิ่งได้ยินนั่นเนี่ยเรียกทิฐิวิปลาไม่ <c oughs> ใช้คาแปลกๆหลายคแล้วนะเมื่อกี้ว่ารู ป, ประธารู ป, ปรขันใช่ไหมลูกประธาลูกธาตุหมายถึงธาตุสีดินน้ำดวงไฟ ร่างกายที่เราเห็นนี่เขาเรียกลู่ประธาต์นะแต่ความคิดที่เราคิดขึ้นมาเขาเรารูปประขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารมัญญยางรู ป, ประขันนะท่านหมายถึงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคําไหนเป็นคําแปลกๆ ก, ก็จะมีการตีแผ่ให้ชัดเจนเพราะโยมหลายคนท้วงมาว่าพระพูดในใช้ศัพ บ, บรีเยอะไม่เข้าใจอย่างนี้นะก็จะมีการขยายด้วยเพราะฉะนั้นใช้คําว่าทิฏฐิวิปลาสหมายถึงว่าไปเห็น ตรงกับข้ามความเป็นจริงความเป็นจริงของอาการปรากฏคราวนี้ความเป็นจริงเขามันถ้าเป็นสมาธิทิฏฐิก็คือว่ามันเป็นเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือทิฏฐิวิปลาสก็เป็นนิจจังสุ ข, ขังอัตตาเฮ้เราปฏิบัติธรรมในะวันสบาหาความสุขนะทำไมเราเราว่าเป็นทิฏฐิวิปลาสเราหาความสุขไม่ใช่เลยอันนี้ก็คือ ถ้าเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความเป็นปกติก็จะเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเห็นเป็นนิจจังสุขังเลอตตาเนี่ยความผิดปกติทั้งจิตก็จะเกิดขึ้นจะหาความเป็นปกติไม่ได้ดังนั้นในวิปราชไม่ได้เป็นไม่ไม่ใช่คนเป็นบ้าหรือคนสติเสียแต่ว่าเพียงแต่ว่าเป็ น, เ ป, นเป็นความเห็นที่ไม่ ไม่ไม่ตรงตามหลักแห่งความจริงนะคือในชีวิตประจำวันเนี่ยบางทีเราเห็นสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้าเห็นแล้วรู้สึกว่าชอบหรือพอใจนั่นก็คือความเห็นที่เป็นวิปลาสนี่ยก็คือมันมันไม่ใช่ความจริงเห็นเห็นแล้วความจริงก็คือไม่ให้มีความเรียกว่าไม่มีความพอใจในสิ่งที่กลาลังเห็นนะ ถ้าเห็นเราถ้าเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือถ้าเห็นเป็นอนัตตาความเป็นสุขเป็นทุกข์ในนั้นนะมันก็จะไม่มีมันก็จะเฉยอย่างนี้ครับแต่เราทีนี้ในการปฏิบัติเพื่อให้ความสงบทางจิตที่เกิดขึ้นก็คือต้องเห็นหลักตามความเป็นจริงถ้าม่เห็นหลักของตามความเป็นจริงแล้วก็คือทุกข์มันมาจากความไม่เป็นจริง เพราะว่าเห็นสิ่งที่ไม่เป็นจริงเนี่ยก็คือสิ่งทั้งหลายที่มันไม่เป็นจริงอนะและถ้าใจเข้าไปสําคัญมั่นหมายกับสิ่งที่ไม่เป็นจริงคล้ายกับว่าไปไปเล่นกับของจริงไปจริงกับของเล่นอะไรทํานองเนี้ยแล้วนกะ็สิ่งที่มันความทุกข์มันมาในในใ น, ในรูปแบบของความของความเป็นจริงนะครับถ้าสําคัญมั่นหมายในความเปจริงที่เป็นรูปแบบของสมมุติในสิ่งที่เห็นที่ฟังที่คิด ถือสิ่งที่กระทบอันนี้ก็ก่อให้เกิดเป็นต้นเหตุของความทุกข์แต่ถ้าเห็นในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปแล้วก็บังคับในสิ่งนั้นให้เป็นไปด้วยความตั้งใจความบังคับนั้นไม่ได้อันนี้ได้เห็นมันบ่อยๆจิตมันก็เกิดความปล่อยวางเพราะว่ามันเห็นสิ่งที่ คล้ายๆกับว่ามันรู้สึกว่าไม่มีที่จะเป็นสารณนะเป็นที่พึ่งได้ท่านยังบอกว่าถ้าถ้าเห็นมันเป็นอนิจจังอยู่ øre, ทุกขังอยู่อนัตตาอยู่ท่านก็บอกว่าเป็นเพียงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานยังไม่ได้เดินทางเลยนะถ้าเห็นท่าใจขงเราเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจิตมันคลา ย, อ า, อ, ยอารมณ์ปล่อยอารมณ์นั้นนะท่านบอกว่าเป็นเพียง ทางของพันิพานเท่านั้นเองเป็นจุดเริ่มต้นนะครับนิกกี้ถามม่กกี้ที่บอกว่าเอ๊ะคนไม่ได้ปฏิบัติวิปัสนาเนี่ยจะเห็นไหมธรรมวิจยะเนี่ยวิจัยธรรมเป็นไหมตรงนี้เบื้องต้นมันบอกว่าต้องมีสติเนี่ยนะถ้าหากว่าคนไม่ได้ปฏิบัติที่จะมีสัมมาสติเนี่ยยากเพราะฉะนั้นเห็นอยู่แต่จะยากหน่อยเพราะว่าในพุทธชงจิตเริ่มต้นด้วยสัมมาสติ ถ้าหากว่าคนไหนที่ไม่ได้ปฏิบัติวิปัสนาก็ไม่มีสมาสติเมื่อไม่มีสมาสติไอการที่จะไปเห็นรูปเห็นนามนี่เป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเลยเนี่ยมันก็ยากแต่ก็มีเหมือนกันนะในกรณีคนนั้นเขาได้สร้างสมบมุม อ, อุปนิสัยมาก่อนเขาอาจจะไม่ต้องมาปฏิบัติมากแต่ว่าเขามีนิสัยในการที่จะรู้จะเห็นอยู่แล้วถ้าม่อมีการกระทบขึ้นมามันก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้ก็มีแต่ก็มีน้อยราย ทีนี้มีข้อที่ท่านพูดอยู่อันหนึ่งคือที่มาถามไปมิกกี้บอกว่าในเมื่อมันเป็นนิจังสุขขังอัตตาคนทั่วไปก็ปรารถนาทำไมท่านจึงไม่สนับสนุนให้เอาเพราะเพราะว่าตัวนิจังเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นนิจังแต่คนก็อยากให้มันเป็นจะสมมติเอามามีอันนี้ใะไม่ก็อยากให้มันอยู่นานที่สุดใช่ไหมแต่วันไหนวันหนึ่งมันเสียขึ้นมาเนี่ยเอามาชอบไหม ไม่ชอบแล้วถ้ามันเสียขึ้นมาไม่ชอบเนี่ยแต่เราอยากไม่ให้มันเสียใช่ไหมที่ไม่อยากให้มันเสียเนี่ยเป็นนิจังใช่มแต่วันหนึ่งมันไม่อยากจะให้มันเสียเนี่ยอยากให้มันเป็นนิจังใช่ไหมแต่ว่าความจริงเราใช้ไปมันก็เป็นเป็นอนิจังคือมันต้องเสียใช่ไมเนี่ยมันเสียที่ที่คนทั่วไปในชอบนิจังชอบให้มันเป็นนิจังแล้วก็ชอบสุขขังอยให้มันอยู่นาน อย่างคุณนนิสักเนี่อาจจะอยู่ถึงเป็นร้อยกว่าปีเนี่ยชอบนิจฉังเพราะฉะนั้นแต่มันก็ต้องเจีบต้องป่วยต้องอะไรไปเรื่อยๆใช่ไหมเป็นทุกขังเนี่ยทั้ในความมันเป็นทุกขังไม่ได้สุขขังในความเป็นจริงแล้วก็อนาตาอัาต า, า, ตาก็มีอนาตยาใหญ่ขึ้นไปอีกใช่ไหมยาพามเขาไม่ยอมนะเขามีอัตตาแล้วเขาก็มีมหาตาเช่นมหาตะมันเนะี่ย มหาธมันก็ยังไม่ยังมหาธรรมะขณะที่เขายกขึ้นเป็นมหาธรรมันเป็นมหาธรรมันก็ยังไม่พอให้ใหญ่ขึ้นเป็นปรมาตรมันขึ้นไปอีกเนี่ยเห็นไหมเขาไม่ยอมเขาจะต้องมีอัตตาอัตตาใหญ่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ความจริงพระพุทธเจ้าพลิกป๊อปเลยเป็นอะไรเป็นอนัตตาไม่มีอัตตาเล็กอัตตาใหญ่อัตตาเล็กอัตตายาวไม่มีวิอนอัตตาคือไม่มีอัตตานีพระพุทธเจ้าปฏิเสธพลิกความไปเลยว่างั้นนะพลิกความพราหมณ์ไปเลยแต่ทีนี้มันเพิ่มอะถ้าเขาว่าเราไปยึดติด นิจังสุขขังอัตตามันไปเพิ่มไอ้ทัวเพิ่มจํานวนนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรความอยากใช่ไหมมันเพิ่มความอยากแต่เราไปเห็นอนิจจังทุกขังอัตตาเนี่ยมันไม่เพิ่มมันมีแต่จะเบื่อเนี่ยเห็นไหมอ่าเพราะมันทุกข์เนี่ยแล้วมันไม่เที่ยงเนี่ยมันจะไปมันแต่คนก็ไม่อยากไม่อยากไม่อยากอนิจไม่อยากจะอยู่กับอนิจจังอยู่แล้วใช่ไหมอยากจะอยู่กับนิจจังเพราะฉะนั้นนิจจังสุขขังอัตตาเนี่ยมันไปเพิ่มตัณหา แต่อันนี้ยังทุกขังหน้าตาเนี่ยมันเป็นลดตัณหาเพราะนั้นให้ไปวิจัยดูนั้นวิจัยให้ให้ให้ให้มันเป็นนิสัยให้มันเป็นข้อเท็จริงอยู่ในใจเพราะมันไปเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความครายจางแต่ว่าคนก็วิ่งหาตรงกันข้ามอะไรได้ทุกอย่างมาเนี่ยเรามีบ้านเราก็ไม่อยากจะให้บ้านมันพังใช่ไหมวันใดวันหนึ่งพายุมามันหอบไปทั้งหมดเลยแล้วเป็นยังไงมันก็เป็นอนิจ่ยังมันก็ทุกข์ใช่ไหม เนี่ยแต่เราอยากให้เป็นบ้านหลังเราก็ไม่อยากให้มันเก่ามีลูกเราก็อยากแยกให้ลูกอยู่กับเรานานๆมีผัวมีเมียก็อยากผัวเมียให้อยู่นานๆแต่เกิดผัวเมียเราไปอย่างอื่นไปแล้วก็เป็นทุกข์ถ้าหางไว้เที่ยงแต่ทีนี้ในความเป็นจริงของทั้งโลกถือกันเนี่ยเอยคนคนนี้เที่ยงจังนะไอ้เวลาเที่ยงแล้วโอตัวนี้ดีนะเที่ยงดีแล้วเนี่ยทําไมทั้งโลกเขาบอกเที่ยงอะ่ะเขาต้องการมันเที่ยงยังไงนายคิด ใหญ่ไปเลยชมนองช่วยกันวิจัยอนะวิจัยแล้วก็เป็นวิจารณ์ไปด้วยนะอนอก ว, ว่ามันเที่ยงก็คือเที่ยงแบบสมมุติไงเพราะว่ามันไม่นี่ในก้หมายอันนี้คื อ, ค อ, คอทเที่ยงแบบปรมัตดออันนี้มันเที่ยงแบบสมมุติเขายจะสมมุติว่าเออคนนั้นคนนั้นเที่ยงเที่ยงทำดีเนาะ แล้วก็เวลานั้นเที่ยงตรงดีหรือบางทีเราไปวัดตารางเมตรหรือไปวัดอะไรก็แล้วแต่วัดให้มันเที่ยงวัดให้มันตรงวัดให้มันพอดีอย่างเนี้ยมันก็เป็นความเที่ยงแบบสมนะมุตินะนะไม่ไม่ใช่เป็นความเที่ยงแบบแบบปรมัตดังนั้นความเที่ยงแบบปรมัดนั้นนะ่ะก็คือความจริงแล้วหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยอนัตตาเนี่ยจะว่าไม่มีตัวตนก็ไม่ใช่นะ ถ้าอน้าตาไม่ไม่มีตัวตนแล้วทําไมเราจึงรู้ว่ามันเป็นอน้าตาใช่ไหมก็แสดงว่ามันต้องมีตัวตนมันจึงเป็นอน้าตาเนี่ยตาบอกว่าความทุกความไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงทําไมเราจึงรู้ว่ามันไม่เที่ยงก็เพราะว่ามันต้องเที่ยงมันจึงเห็นความไม่เที่ยงใช่ไหมอ่านี่น่าคิดใช่ไหมแล้วอย่างเช่นความทุกข์อย่างเนี้ยว่ามันไม่เที่ยงความทุกข์มันไม่มันไม่เที่ยงมันไม่กิรังยั่งยืน แต่ว่าตั้งแต่ตั้งโลกขึ้นมาแล้วความทุกข์ยังมีจนถึงปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมมันทําไมจึงมีอยู่นะยอมเคยเชื่อไหมแต่ทีนี้ในหลักของการปฏิบัตินั้นท่านบอกว่าคือเอาอาการของมันไงอย่างสมมติว่าลมอย่างเนี้ยลมนี่มันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตาแต่ว่าถ้ามันเป็นอนิจจังถ้ามันไม่เที่ยงถ้ามันไม่มีตัวตนแล้วเนี่ยมันทำไมจึงอยู่กับโลกนี้มาไม่รู้ว่ากี่หมื่นกี่ล้าน กี่พันปีมาแล้วมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยอย่างเนี้ยแต่ท่านเอาอาการทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับอาการทั้งหมดอ ย, อย่างลมเดี๋ยวนี้แต่ว่ามันเอาอาการของมันว่าสมมติว่าลมเดี๋ยวนี้มันอาจจะเป็นลมที่ร้อนหรือลมที่เย็นหรือลมที่นิ่งอย่างเนี้ยและทีนี้บางครั้งมันอาจจะพัดแรงเกิดพายุแรง บางครั้งก็ลมนั้นอาจจะเป็นลมที่หอมลมที่เหม็นหรือบางครั้งอาจจะเป็นลมที่เนี่ยท่านเอาอาการอย่างเนี้ยเป็นความไม่เที่ยงดังนี้ในลมนั้นท่านก็บอกว่าไม่สามารถบังคับลมนั้นได้ก็เลยถือเอาลมนั้นเป็นอนัตตาก็คือเอาแบบว่าบังคับมันไม่ได้และในการบังคับไม่ได้ก็ถือว่าอันนั้นเป็นสภาวะของความไม่มีตัวตน อย่างเนี้ยทั้งที่ทั้งทั้งที่ว่าเราสัมผัสมันได้อยู่อืถ้ามันไม่มีตัวตนแล้วเนี่ยเราจะสัมผัสมันได้อย่างไรที่สัมผัสได้ก็เพราะว่ามันมีตัวตนก็เพราะว่าอาการของมันที่เราบังคับมันไม่ได้ให้เป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้อย่างเนี้ยเนี่ยถ้าเราบังคับมันได้ก็คงไม่เกิดพายุพายุใหญ่คงไม่เกิดอะไรขึ้นต่างๆนานาถ้าเราบังคับมันได้ทั้งกันว่า อ า, อาการที่บังคับมันไม่ได้เนี่ยแหละเมื่อเอาอาการที่บังคับมันไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นอนัตตาที่บังคับบัญชาไม่ได้ในในสภาวะความเป็นจริงอย่างนั้นฉะนั้นท่านจึงต้องให้พยายามวิจัยพิจารณาในสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นว่าให้มันเป็นอนัตตา ใ, ใจของเราจริงจะไม่ได้เข้าไปเป็นในอาการที่กําลังเกิดขึ้นเหมือนกับเราดูหนังอ่นะ ดูหนังนี่ถ้าหนังเรื่องใดที่เราได้ดูครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วถ้าดูสามครั้งสี่ครั้งไปมันก็ไม่สนุกมันก็ไม่ตื่นเต้นเหมือนกับเราได้ดูครั้งแรกอะ่ะมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายไปเองแต่ว่าถ้าเราได้ดูมันน่ะนะอาการนี่ก็เหมือนกันอาการของกายกับอาการของจิตเนี่ยนะมันจะมีอันหนึ่งที่ทําให้เราไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าเบื่อหน่ายในในการดู ก็เพราะว่ามันมีอุปทานหนุนอยู่บางทีมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าอุปทา น, นมันจะปรุงแต่งไปคนเป็นแบบคนลารสชาติอย่างเช่นความโกรธอย่างนี้ใช่ไหมความโกรธเนี่ยก็เหมือนกับหนังเรื่องเดียวอะ่ะตั้งแต่เด็กมาเลยละ่ะที่เราได้ดูมันนะไ ด, ได้ได้รู้จักมันอย่างนี้แต่ว่ามันมันไม่เคยสั่งออกไปจากจิตเลยมันไม่เคยจางคายออกไปจากจิตเลยก็เพราะว่าเหตุปัจเจของอุปทานน่ะหนุน เหมือนกับว่าปรุงแต่งในรสชาติที่มันแตกต่างกันอย่างนี้ยมันก็เลยให้เรามองแล้วก็รู้สึกว่ามันมันไม่เห็นเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาก็คื อ, อมันมีรสชาติของอุปทานคอยหนุนคอยปรุงแต่งให้ให้เกิดอัตตรศภัยในอยู่น้ำก็เลยเกิดขึ้นกับเราอยู่อยู่ตลอดเวลา น, นะอันนี้แหละคือเป็น เป็นเป็นหลักสำคัญนะครับฮ่าาฮ่เออรเอรถฉาดเคือ <c oughs> รถ า, ราขึ้นมาวันนี้เหตดอาหารวิโยาศาสตร์หลายหลวงพอ่อเลไทยหลายเถื่อแล้วเนี่ย <c oughs> ดีทอกหลายเถื่อแล้เออตะลังมาลำาใส่สะอาด เมื่อเราเสียสละได้แล้าอาหารอะไรทวกจันหน่อยมันจะดีท้อกหมดเลยอก็ <c oughs> ừ, Körper, ไม่รู้ท่นานวิจารณ์วิจัยว่าไงว่างนะว่าสิ่งที่คนทั้งหลายเนี่ยชอบใช้คำว่าเที่ยงเนี่ยเอามาใช้ทั้งๆนี่มันไม่เที่ยงอย่างเวลาเที่ยงเนี่ยมันเที่ยงจริงไหมมันเที่ยงเพียงวินาทีเดียวใช่ไหมที่มันผ่านเที่ยงตรงเที่ยงเพียงวินาทีเดียว แต่เลยเกลินนั้นก็ไม่เที่ยงแล้วใช่ไหมก่อนหน้านั้นก็ไม่เที่ยงแล้วเที่ยงอยู่ตั้งได้แค่วินาทีเดียวนะแต่ว่าคนก็ชอบว่ามันเที่ยงนะเที่ยงมันมีสองอย่างนะนิจังสุขังอัตตามันแบบเที่ยงแบบสมมุติถ้าหากว่าเที่ยงโดยปรมัต์กับเที่ยงโดยสมมุติเที่ยงโดยสมมติเรามาใช้วัตถุใช้วัตถุตั้งให้มันเที่ยงนะถ้าไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันจะค่มนะใช่ อันอันแบบนี้ไม่เที่ยงเลยใช่ไหมเอ่อตั้งมันเที่ยงมันก็ตั้งอยู่ได้นี่เขาเรียกว่าเราก็มาใช้กับสมมุติเที่ยงอย่างนี้ก็ใช้ได้ผู้ใหญ่นี่ไม่เที่ยงเลยไว้ใจไม่ได้แกเป็นคนไม่เที่ยงนะคือไม่ซื่อนั่นเองนะนั่นเขาเรียกว่าคนไหนไม่เที่ยงในแง่ของสมมุตินั้นใช้เที่ยงหรือไม่เที่ยง คนนั้นนั่งเที่ยงยังไม่ลุกไปไหนเลยเนะี่ยนั่งได้ทั้งวันแต่คนนั้นไม่เที่ยงเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุ ก, เ ด, ลกเดี๋ยวนั่งวันนี้ใครไม่เที่ยงบ้างก็ไม่รู้แม้ออกว่าเอายังไม่ค่อยเที่ยงนะแต่คนนั้นนั่งเที่ยงจังนั่งทั้งสีง่หชั่วโมงลุกแค่สองครั้งเองคนนี้4ี่ชั่วโมงลุกไปร้อยรครั้งอันนี้ก็เรียกไม่เที่ยงเพราะนั้นเที่ยงแบบสมมุติเราก็ใช้ได้ระดับหนึ่งนะก็ดีนะเที่ยงแบบสมมติเที่ยงถ้าเที่ยงแบบปรมตก็เที่ยงแบบนิพจาน เช่นว่ า, าความตายเป็นของเที่ยงอันนี้เที่ยงแบบปรมาทัยแล้วการนิพพานไปสู่นิพพานแล้วไปสู่ความเที่ยงแท้แน่นอนเพราะนั้นเที่ยงในแบบสมมตินั้นไม่แน่นอนสมมุติขึ้นมาใช้แล้วก็เที่ยงแบบปรมัตัยนั้นแน่นอนนะแต่ทีนี้เขาบอกว่าอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยที่คนเข้าไม่ถึงอ่ะเขาบอกว่ามันมีตัวบังอยู่ อะไรบังครับแต่ได้อย่างเนี่ยคนถึงไม่เห็น น, นิจจังทุกขังอน้าตาไม่รู้นะว่าอะไรบังลืมไปแล้วเนี่ยว่าว่ายริยาบทบังทุกขงังใช่ไหมครับอยริยาบทบังทุกขงังแล้วอะไรอีกครับ ท, ที่บงังควนมเห็นว่ามันเที่ยงหรือ บ, บงังนิจจังความเห็นว่ามันเที่ยง อ่าชวยได้ก็ ค, คือความความสุขความเห็นว่ามันเที่ยงเนี่ยบางอนิจจังอ่าและความเห็นว่ามันสุขบางทุกขังความเห็นว่ามันมีตัวตนบางอนัตตานะในในภาวะที่เกิดขึ้นเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าปัญญาไม่เกิดเนี่ย เวลานั่งปฏิบตัติหรือไม่ได้อยู่ในภาคปฏิบตัตินะบางทีก็ลืมไปลืมว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะส่วนใหญ่ก็จะนึกไปก็คือนึกไม่ถึงอ่นะก็คือลืมไปเลยบางทีบางคนก็โป่งได้นะบอกว่าเออมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเออช่างมันเถอะอะไรอย่างเนี้ย ต่างๆแต่ว่าจริงๆแล้วก็บางทีไม่ได้เข้าใจลึกๆหรอกเพียงแต่ว่าอคือบางทีก็ปลอบใจตนเองหรือบางทีก็อคล้ายๆกับว่าหมด อ, ไอาไล่เน่ยนะก็เลยว่าเออมันช่างมันเถออย่างเช่นของหายอย่างเนี้ยใช้ที่จริงก็เสียดายอยู่แต่ว่ามันเอาคืนไม่ได้ก็เลยบอกว่าช่างมันเถอเออย่างเนี้ยครับอื <c oughs> ความเห็นว่ามันมันเที่ยงอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยความเที่ยงแบบสมมุตนะินั่ะมันไปบังความไม่เที่ยงคือหมายความว่าตัวสมมุติไปบังปรมัตดอย่าลืมนะตรงนี้นะที่เราไม่เห็นปรามัดเพราะตัวสมมุติมันบังอยู่ที่เราไม่เห็นตัวรู้สึกซื่อเฉยเฉยเพราะตัวอะไรบังอยู่ตัวคิดใช่ไหมตัวคิดตัวอารมณ์มันบังอยู่เพราะฉะนั้นความเห็นว่าเที่ยงเนี่ยที่แบบสมมุติมันไปบงังตัวอนิจจังเอาไว้ความจริงมันเปลี่ยนตลอดเวลา นะมันเปลี่ยนแล้วก็ท่านบอกว่าตัวอียโบดเนี่ยบางทุกเอีบดเพราะเราเราไม่ยอมดูเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆพอเปลี่ยนมันก็รู้สึกสบายๆใช่ไหมเพราะตัวดีบดเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปเปลี่นถ้าเราไม่เปลี่ยนดีบดเลยเราจะเห็นทุกชัดเจนมากเลยใช่ไหมอันนี้เราเราเปลี่ยนไปมันก็เลยเห็นทุกไม่ชัดเราก็นึกว่ามันเป็นสุขเราก็นึกว่าสบายเพราะนั้นเวลา ปฏิบัติกรรมาฐานเนี่ยทำไมท่านจึงให้นั่งนานๆเดินนานๆทํานานๆให้แช่อยู่นานๆเพื่อเห็นทุกชัดๆเมื่อเห็นทุกชัดๆแล้วมันก็ทุกมันก็จะปรากฏชัดเจนเมื่อเห็นทุกชัดเจนแล้วความเบื่อหน่ายหายจางมันก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเห็นทุกไม่ชัดเนี่ยเราก็เห็นว่าชีวิตที่น่าอยู่น่ารื่นรมมีความสุขสนุกสนานนะคนที่ เขาเที่ยวสนุกสนานกันเขาไม่ได้อยู่กับที่นะใช่ไหมเบื่อตรงนี้ก็ไปตรงนั้นเบื่อตรงนั้นก็ไปตรงเบื่อไปไปเรื่อยๆหนีไปเรื่อยๆตัวนั้นแหละตัวที่เขาเขาหนีทุกนั่นแหละมันบงังมันบังทุกข์ตัวความอิเดียบทที่เขาเปลี่ยนได้แต่ถ้าคนไหนที่ไม่มีอิรดยบทพอใช้เนี่ยเขาจะเห็นทุกข์มากๆเลยแล้วอยเห็นทําไว้อย่างคุณกําพลทองบุญนุ่มเนี่ยที่เป็นเอามาพึกเอามาพลาดนะนะเขานอนแช่ทุกข์อยู่ พอมาเจอคําสอนลงพ่อเทียนปั๊บนี่เขาเข้าถึงไวมากเลยเพราะเคยเห็นทุกเพราะว่าเขามีดีบทไม่พอที่จะเปลี่ยนอย่างยมันก็เห็นทุกได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเวลานั่งท่านบอกให้นั่งดูทุกนา น, านๆให้เห็นทุกให้ชัดแล้วจะเบื่อโอ้ทุกนี่มันร่างกายเลยเต็มไปได้วยทุกจริงๆพลิกไปทางไหนก็ทุกเท่านั้นแต่ตัวที่เราเปลี่ยนดีบทไปเรื่อยๆเนี่ยสัญญาของเราเนี่ยมันจําได้ภาวะที่เป็นทุกเนได้ไม่ลึก มันก็เลยไม่กลัวไม่สลดไม่สังเวชอย่างเงี้ยมันได้ไม่ลึกแต่ถ้าหากว่าเร า, าเจ็บปวดเห็นเจ็บปวดที่ลึกมากเนี่ยมันก็จะเกิดตัวท่านใช้คําคําว่าสัมมปัญญาสัมมาปัญญาเพราะในบทพิจารณาสังขารจาได้ไหมสามบทนั้นสเปสังคาระอนิจจติใช่ไหมอาทะนิพินนติทุเขเเอสมัมมโควิสุตติยาเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายทิพย์ทิพย์พุทโธหลวงจำได้ใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าไม่เห็นด้วยสัมมาปัญญาเนี่ยมันมันไม่เหนื่อยหน่ายต้องเกิดด้วยสัมมาปัญญาสัมมาปัญญาเกิดจากสมาอะไรสมาสติเพราะนั้นเรามางเลยสัมมาสติเพื่อให้เกิดสัมมาปัญญาเมื่อเกิดสัมมาปัญญาแล้วมันก็จะเหนื่อยมันก็เบื่อหน่ายทิ่เบื่อหน่ายแล้วมันก็ไม่เอาแล เราก็ไม่อย่างไม่ชีเนี่ยมาเจริญสติมาเจริญปัญญาแล้วเกิดความเบื่อหน่ายแกก็เลยแฟนแกนี่เอาไปให้ไปทิ้งที่เมืองไทยเฉยเลยเอาไปปล่อยที่เมืองไทยเพรไม่ชี้เขาค่อนข้างโหดมากนะถ้า <c oughs> จะว่าถามภาษาโลกแต่อันนั้นหมายความว่าเกิดสมาปัญญาเกิดสมาปัญญานี่แฟนใคเอาไปก็ได้แกไม่ต้องเราไม่สามารถจะ อ, อยู่ด้วยกันตลอดไปเพราะนั้นเวลาที่เหลือแล้วน่าจะมาสแสวงหาความสุขทางธรรมแกก็เลยเอาอุทิศส่วนกุศลอแฝงไปอยู่ที่เมืองไทยโอ้ไม่ใช่นี่ฉลาดมากเลยแล้วมาสแสวงหาความสุขทางธรรมแล้วก็เกิดธรรมะเราได้ธรรมะสามารถเอาคุณค่าของการสแสวงหาเนี่ยมาซื้อวัดสร้างวัดถวายพระได้เป็นได้เป็นวัดอะ่ะถ้าไม่ใช่ไม่ทำเงินก็ซื้อวัดถวายพระไม่ได้เหมือนนี่เกิดส ม, มาปัญญาเห็นไหม มัวแ่น่าสาดก็เสมาปัญญาอุตสาวผู้ใหญ่จอนไปออกไปไม่ใช่ธรรมดาเนีมาว่นเนะไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็หาแฟนให้ด้วยหาเงินให้ใช้อีกต่างหากนะเอี๋ถ้าพูดอย่างนี้คุณนันนี่อายไม่ฉี่เลยว่างั้น า่แน่นคุณนันเกิดปัญญาแล้วใหญ่ทานิพพุไมทิ้งที่เมืองไทยมันก็ได้เป็นได้ต่อไปน่านกลัว <laughs> นี่ฮะน่ากลัวอย่างเี้ ย, ยน่ากแต่ว่าอันนี้จะลิวเขาว่าสัมมาปัญญานะตัวสัมมาปัญญานี่ไม่หมายความว่าคุณนิพสักก็ต้องเกิดปัญญาด้วย ก็แล้วแต่มุ่งเาแล้วได้มุ่งเจาะปัญญาถ้าเกิดปัญญาแล้วก็จะเกิดความเหนื่อยหนายโอ้โลกนี้เราอยู่ได้ไม่นานเนอะเราก็มีความสุขในโลกนี้ก็อย่างนี้ความสุขหลายพบหลายชาติหลายกลับหลายการมันก็แค่เนี้เอ้ยความสุขมากกว่านี้มีอีกไหมเนี่ยวันหนึ่งคุณนุนิสาเกิดปัญญาขึ้นความสุขที่มันยิ่งกว่านี้มีอีกไหมก็แสวงหาก็เจริญสติมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโอ้เขเลยอ หันหน้ามาคุยกันแบบมหากระสปะกับใครนะแฟนเชื่อเลยนะนางจิษณาโคตรดีไม่ใช่โอ้ยคนละเรื่องแหละนางพัฒน์ศกิ์นางพัฒน์พัตกาจิลานพัฒกาปิรันนีมหากระสกาก็มีแฟนนะมีแฟนทีนี้พอแต่งพอแต่งงานกันแล้วรู้สึกว่าขั้นเป็นเศรษฐีนะ เวลาไปเป็นเศรษฐีในสมัย น, นั้นเขาก็ทํานานะเวลาไปเห็นวัวควายที่เขาไปไถนาโอ้ทำไมมันทุกขนาดนี้ทุกเพราะเราแท้แทนี่เนี่ยถึงมันถึงทำงานหนักขนาดนี้ถ้าเราไม่มีไร่มีนามากขนาดนี้วัวควายไม่ต้องทุกข์กับเรานี้ไปไถ่ไถ่ไร่ไถ่นาเห็นปูเห็นปลาเห็น่ะไรถูกเหยียบถูกดินขี้ไถมันทับตายมดตายก็เกิดความเออเวทนาสงสารสัตว์เหล่านั้นว่าถ้าเราไม่เป็นเจ้าของไร่ข้างนามากขนาดนี้สัตว์เหล่านี้ไม่ต้องตายถึงขนาดนี้ ก็เลยมาคุยกับแฟนแฟนก็เห็นเหมือนกันโอ้จริงนะเรามานั่งรับบาปจริงๆนั่งของบ้านของเรือนของสมบัตินั่งรับบาปจริงๆก็เลยสลัดแยกให้พี่ให้น้องให้คนใช้ไปหมดเลยทั้งสองก็เลยออกออกบวชนะมาหาคัศปะออกก่อนพอมาหาคัศปะออกก็ถือทุดงอย่างเพราะนั้นทุดงเข้าวัดเนี่ยมาหาคัศปะองคแรกนะ่นเป็นคนเป็นค น, เ ป, น, คนเป็นคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเลยนะ กินข้าวมื้อเดียวนั่งอาสนะเดียวนอนป่าชาถือผ้าสามพื้นเป็นวัดอะไรทั้งนี้ทั้งสิบสาข้อเนี่ยพราะต่อมาเมื่อมหากระสปะได้บรรลุธรรมแล้วนางพัฒกาปิลานีก็ออกบท ด, ด้วยออกบทก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระละหันเหมือนกันทั้งมหากระสปะกับพระละหันนางพัฒกาปิลานีก็เป็นพระละหัน <c oughs> อันนี้เพรเห็นความความทุกข์ของตนเองและเห็นความทุกข์ของผู้อื่น แ้วเกิดปัญญาเกิดสมมปัญญาขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเห็นอนนีจังทุกข์ของน้าตาจริงๆเนี่ยมันจะเกิดสุดสังเวชอย่างนี้ที่เกิดสมมตปัญญาไหมเขาเห็นทุกข์ของตัวเองก่อนอแล้วก็ไปเห็นทุกข์ของผู้อื่นโอ้การมีครอบ็คนความเป็นทุกข์จริงๆเนาะแล้วก็ถ่ายทอดทุกข์นี้ให้รู้ขลังต่อไปอีกแต่พอเรามาฝึกฝนปฏิบัติธรรมแล้วมันเกิดสมมติปัญญาตัวนี้ไอ้ทีนี้ไอ้ตัวสมมปัญญาหรื อ, อปัญญาที่เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเนี่ยมัน มันจะเกิดได้โดยทั่วไปสําหรับคนไม่ปฏิบัติมันจะเกิดได้ไหมจันครับก็เกิดก็เกิดได้ครับอย่างพระมหากัรสป่าก่อนที่ปัญญาตัวนี้เกิดก็ยังไม่ได้ตัดก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมเลยนะครับก็ยังสามารถให้เกิดปัญญาตัวนี้ได้แต่ว่าเพียงแต่ว่าของคนต่อไปมันไม่แหลมคมพอที่จ ะ, อ, ะอย่าง ลึกลงสู่จิตใจโดยสัญญาญาณจริงๆก็คือมันอยู่ในระดับพอรู้จักอะนะครับทีนี้ก็นอกจากผู้ที่ฝึกปฏิบัติแม้กระทั่งว่าผู้ที่ฝึกปฏิบัติในในระดับหนึ่งก็ยังก็ยังไม่สามารถที่จะเกิดตัวนี้ได้เพียงแต่ บ, บางครั้งอาจจะรู้บ้างอาจจะมีบ้างแต่ว่าก็จะลืมเป็นส่วนใหญ่นะครับคนที่ไม่ได้ปฏิบัตินี่ก็ยิ่ง ก็ยิ่งจะเป็นการลืมเป็นส่วนใหญ่นะแลก็มีบ้างแต่ว่าก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มากนะักครับหมายถึงว่าคนทั่วไปก็เกิดได้เหมือนกันสัมปัญญาแต่ว่าคนคนนั้นอาจจะต้องมีบา ร, รมีสั่งสมมาก่อนนะบา ร, รมีสั่งสมก็ อ, อย่างมหากัสปะเนี่ยท่านหลังจากที่ท่าเกิดในความสรุปสังเวชอย่างนั้นแล้วก็ไป ไปสแสวงหาการปฏิบัติก็ไปพบพุทธเจา้าที่นี้ท่านอายุท่านมากนะฮะกษัตริยเนี่ยรู้สึกจะเป็นอาวุโสใกล้เคียงพุทธเจา้าอยู่ท่านมากที่นี้พ อ, อบทตอนแก่เนี่ยท่านก็พักจะหลีกเล่นไม่ค่อยเข้าพวกหลีกเล่นไปปฏิบัติด้ยตัวเองที่นี้มีอยู่วันหนึ่ง พระพุทธเจ้าต้องการแสดงธรรมแสดงให้คนพระทั้งหลายได้เห็นว่าพระมหากัสปะเนี่ยมีวัดปฏิบัติดีแล้วก็มีปัญญาสูงขนาดไหนท่านก็เลยแสดงธรรมแบบแบบเซ น, นก็ได้ดอกบัวขึ้นมาดอกที่เขามาถวายนะแล้วก็ชูขึ้นชูให้ภิกษุแล้วก็ไม่พูดอะไรแล้วปรากฏว่ามหากรสปะเนี่ย ยิ้มขึ้นมาว่าเข้าใจอืมที่พระพุทธเจ้าก็ตัดว่าเธอเข้าใจว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นธรรมเทศนาชื่อว่ า, าบุญดลิกสูตรเนี่ยในมหายานเนี่ยรู้สึกว่าจะมีชื่อมากนะสูตรว่าด้วยดอกบัวเขาได้ถือว่ามหกรรากษัตว์ป่านี่เป็นอาจารย์มหายานองค์แรกเป็นสังคายโนกองค์ที่หนึ่งเลย เพราะอะไรเพราะเข้าใจในศาสนาธรรมของดอกบัวว่าแสดงธรรมโดยที่ไ ม, โไม่โดยที่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้คําพูดเพราะนั้นในลัทธิเซนหรือพุทธศาสนาแบบเซนเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้คำพูดนะแต่เขาจะใช้ปิศาณธรรมพระพุทธเจ้าใช้ปิศาณธรรมแสดงกับมหากัะสปะในสมัยนั้นเหมือนกันแสดงดอกบัวขึ้นมาเขาบว่าธรรมะที่แท้จริงเนี่ยมันพูดไม่ได้ นะเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาแบบเซนเนี้ยท่านจึงเน้นที่ปฏิบัติอย่างเดียวเน้นที่ปฏิบัติถ้าปฏิบัติให้รู้เอาเองให้เห็นเอาเองเข้าใจเอาเองแล้วมันก็จะเกิดความสุขเอาเองคือดอกบัวเกิดขึ้นตรงนั้นเองอาการที่เกิดสัมมาปัญญาธรรมะสปะเกิดสัมมาปัญญาขึ้นมาปั๊บเนี่ก็ตัวสัมมาปัญญาตัวนี้ก็ไปเห็นนิจจัทงทุกขังหน้าตาเกิดขึ้นตลอดเวลาในขณะนี้ที่มันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันไม่สบายเนี่ยมันไม่ใช่เราเป็นนะ แต่ว่ามันเป็นกระบวนการเป็นหน้าที่ของอนิจจังทุกขังอนัตตาการทำงานที่นี้เราจะยอมรับการทำงานของเขาไหมถ้าเรายอมรับก็หมายความว่าเราเข้าใจอนิจจังทุกขังนะแต่ถ้าคนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับการทำงานของอนิจจังทุกขังอนัตตามีแต่หนีใช่ไหมหนีไปเรื่อยๆอไม่ไ ม, ไม่ไม่ชอบอันไหนที่มันไม่เที่ยงก็ไม่ไม่ไม่ชอบ อันไหนที่มันเป็นทุกข์ก็ไม่ชอบอันไหนที่มันไม่มีสาระเอาตัว ต, ตนไม่ได้ก็ก็ไม่ชอบดังนั้นคนก็เลยไม่เข้าใจสาระอันนี้สัมมปัญญาก็เลยไม่เกิดนะสัมมปัญญาไม่เกิดแต่วันใดวันหนึ่งสัมมปัญญาเกิดก็เมื่อคนคนนั้นประสบกับทุกข์มากๆอย่างนางอะไรนะนางปัจจาร า, ารเนี่ยทุกข์ขนาดว่าเป็นบ้า เล่าเรื่องนางปรตาจลาให้ฟังหน่ อ, อยโยบอาจะไม่ได้เคยได้ยินผมจะเล่าจบไหมเนี่ยนาตาจลา <c oughs> นางปรตาจลาเนี่เป็นลูกเศรษฐีอะนะอะเป็นลูกเศรษฐีตอนนี้ว่ า, าลูกเศรษฐีก็มีปราสาทยอยู่เจ็ดชั้นนะบ้านของนางประตาจลาก็บังเอิญว่าเจ้ก็ไปไปชอบกับกับคนใช้ ที่เป็นบ่าวเป็นคนใช้นะนะท่านี้ก็เลยด้วยความรักก็เลยได้หนีไปด้วยกันนะกันก็หนีไปอยู่ป่าทันนี้หนีไปอยู่ป่าก็คิดถึงพ่อกับแม่มากก็อยากจะมาเยี่ยมแฟนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้ลูกสักคนก่อนให้มีลูกสักคนก่อนจึงค่อยไปแล้วพ่อกับแม่จริงจะไม่โกรธถ้าเห็นหน้าหลานนะแต่ น, นี้ก็อพอมีลูก ได้ลูกชายนะขึ้นมาคนหนึ่งก็ยังไม่มีเวลาที่จะได้มา mm. ก็เลยบอกว่าให้มีอีกสักคนก่อนอย่างนี้ mm. ก็บังเอิญว่าถ้าจะมีอีกสักคนเนี่ยก็คงจะไม่ได้ไปเยี่ยมพ่อกับแม่นะนางประดาจรานี่ก็เลยออกก็เลยจ้องผัวไปทำงานไม่อยู่เจก็เลย ออกจากบ้านมาตามลําพังก็บางเอินว่าก็มาคลอดลูกมาคลอดลูกกลางทางพอมาคลอดลูกกลางทางผัวก็ตามมาถึงพอดีพสามีตามมาถึงก็เลยว่าฝ น, นก็กำลังจะตกหนักทั้งพายุทั้งฝนมาในเวลานั้นนะก็เลยให้สามีนี่ไปตัดเอาต้นไปตัดเอาไม้จริงไม้มาทําเป็นที่พัก ก็มองเหนว่าสามีไปตัดเอาต้นไม้ก็ไปถูกงูเห่ากัดตายก็ไม่ได้กลับมาจนกระทั่งว่าคลอดลูกเสร็จอสามีก็ยังไม่กลับมานะก็เลยก็ไปตามไปดูก็เห็นสามีนอนตายอยู่เห็นองูที่กัดอนะอันนี่ก็เลยเสียใจก็เลยทํำศพสามีแล้วก็ ก็ไปในรุ่งเช้านั้นเปินว่าการข้ามไปแม่น้ําก็ฝนตกเมื่อคืนนี่มันฝนตกหนักน้ําก็ไหลเชี่ยวนะยายก็เลยเอาลูกคนหนึ่งพอพอที่จะเดินได้คนโตนะก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งไอ้ น, นี่ก็บอกให้ลูกรอยอยู่ฝั่งฝั่งนี้ฝั่งที่กําลังอยกข้ามไปก็เลยอุ้มลูกที่คลอดเมื่อคืนเนี้ยเอาไปวางไว้อีกฝั่งหนึ่งแล้วจึงค่อยจะมาเอาลูกคนโต เพราะว่าถ้าเราไปพร้อมกันน้ํามันไหลแรงกะกลัวว่าจะไปกันทั้งหมดเลยทีนี้พอมาถึงอพอเอาลูกคนเล็กไปวางไว้ฝั่งหนึ่งแล้วก็เดินมามาถึงกลางน้ําพอดีพอดีว่าเหยี่ยวตัวใหญ่ไม่เห็นไม่เห็นในลูกตัวเล็กๆแดงๆอะ่ะมันก็นึกว่าก้อนเนื้อมันก็บินมาก็มาโจมบอลมาโจมบอาลูกตัวเล็กๆครัแล้วก็บินไปแม่ก็ไล่ทีนี้ ไลเหยแล้วลูกยืนอยู่ฝั่งนั้นก็เรียกนึกว่าแม่เรียกไงมันก็เดินลงมาก็เลยตายไปหมดเลยทีเนี้ยฟอหลังจากนั้นก็เสียใจมากลูกก็ตายถูกน้าพัดไปสามีก็ถูกงูกัดตายตัวเล็กก็ถูกเหย่ยวเอาไปกินก็เดินมาก็มาถึงก็มาเจอกันกับคนเดินทางมาก็เลยถามว่าถ่าถามข่าวพ่อนะ เสถียรีก็เลยถามว่าเป็นยังไงบ้างโอ้ยเนี่ยเป็นไหนมาไม่ได้ข่าวหรือไงอะไงเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักพายุพัดถลม่มบ้านเสถียรตึกเจ็ดชั้นอะ่ะถล่มลงมาตายหมดเลยทั้งพี่ชายทั้งพ่อทั้งแม่ก็เกิดสติแตกเป็นบ้าท <c oughs> ีเนี้ยอ่าเป็นบ้าไม่เอาผ้าเอาอะไรได้วทีเนี้ยอืมก็เปือยกายร่อนจ้นนะ เป็ี่ยนมาน า, นาท่นี้บังเอิญว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่ที่สาวัตถีแสดงธรรมอยู่ น, นี้ก็เป็นก็เห็นคนเข้าไปก็ไปด้วยความบ้านัะนะ่นแหละไปทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยพูดให้สติพอได้สติขึ้นมาปุ๊บอย่างเนี้ยก็เกิดความละอายแล้วก็บอกว่าคนที่ไปฟังธรรมแล้วก็ให้เสื้อผ้านุ่งนะพอได้สติแล้วก็เลย นุ่งเสื้อผ้าแล้วก็บอกว่าไปบวชอยู่สำนักภิษุนีเมื่อไปบวชอยู่สำนักพิษุณีพระพุทธเจา้าในช่วงนั้นเทศในเรื่องของสติในเรื่องของมหาสติปัฏฐานอันนี้ก็วันหนึ่งก็เดินจงกรมอยู่ก่อนที่จะไปนอนพักบนกุฏนะิเดินจงกรมกลับไปกลับมานานทีนี้จะขึ้นไปพักก็เลยตักเกลน้ําจากตุ่มมาล้างเท้า ตักมาขันหนึ่งน้ำมันก็ไหลไปอีกหมายก็ว่าพอล้างเท้าปุ๊บแล้วน้ำมันก็ไหลไปพอไหลไปก็นึกพิจารณาเห็นว่าเออคนเราเนี่ยเกิดมาอายุก็คงจะ น, นึกถึงลูกอะ่ะว่าเกิดมาอายุนิดเดียวก็ตายอย่างนี้ก็ตักน้ําขันที่สองมามันก็ไหลยาวไปอีกอนีก็เห็นว่าเออคนเกิดมากลางคนยังไม่ได้แจดได้เท่าก็ตาย พอตักขันที่สามมาน้ำก็ไหลา ย, ยาวไปอีกอย่างนี้ก็เห็นว่าเออคนบางคนก็เกิดมาก็อายุยืนยาวนานหน่อยก็ตายนี่ก็คือพิจารณาหลักของความเป็ียนอันนี้จังทุกขังนัตตาด้วยสติสัมปชัญญะนีก็เลยเกิดบรรลุธรรมขึ้นมาในขณะที่ขันที่สามพอเทลงถึงหลังพื้นแล้วหลังเท้าแล้วน้ำก็ไหลา ย, ยาวไปพิจารณาเห็นความเป็นจริงขนานั้น กับการเจริญสติก็เลยได้บรรลุธรรมก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีปัญญามากคนหนึ่งนางพิษุณีปติจลานะครับจับได้แค่นี้ครับเกิดจะไม่รอดนะเกิดจะไม่รอดเลยนะแต่ความจริงตอนที่เดินทะเลยทะล่าเข้าไปในวงข้อลังฟังธรรมนี่นั่นนุนไล่พนุนกันออกนะ ก็หนุนกันพระพุทธเจ้าบอกหนุนให้เขาเข้ามาอย่ากันเขากันนะพระพุทธเจ้าบอกให้เข้ามาพระพุทธเจ้าคงแผ่เมตตาทีนี้คําที่พระพุทธเจ้าทักแล้วนางได้สตินี่น่าสนใจนะทักว่าไงนะก็จําไม่ได้เออําไม่ได้เลยไม่เอ่ยถึงเลยนะพระพุทธเจ้าทักว่าดูก่อนน้องหญิงเธอจงมีสติเถอดนะพระคินิสติปัสส สติปสติว่าน้องหญิงเธอจงจงตั้งสตินะนะเธอจงตั้งสติเถอะเพราะสติของเธอหายไปกับความคิดเธอจงตั้งสติให้ดีพอได้คิดว่าน้องหญิงตั้งสติแกก็ยออตัวลงเลยนะยออตัวลงอายเ่ยได้ น, น, นแะแตก็พอทักว่าน้องหญิงเนี่ยมันกล้องในใจสมัยที่อยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่เรียกเป็นลูกหญิงน้องหญิงนั้นรูทีนะ๋เนาะคํานั้นเป็นคําที่เขาไปสกิดอีกครั้งหนึ่งความทรงจํา ได้สติขึ้นมาว่าเลยนึกว่าตัวเองเป็นสาวทันทีเลยนั้นเพราะคํานั้นมันฝังลึกอยู่เคยได้ยินสมัยอยู่ที่กับพ่อกับแม่นะพ่อแม่เรียกน้องหญิงลูกหญิงอย่า ง, งนะี้นะพอพระพุทธเจ้าทักนั้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยสติตัวนั้นที่ฝังลึกมากที่มันถูกความเสียใจที่มันกลบเอาไว้นะพอพระพุทธเจ้ากระตุ้นตัวนั้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้สติพอนั่งยอบบง่อลงมาก็รู้สิคลาอัยทีนี้อุบาสกบายะเขาเขาฟังอยู่เขาตามพุทธิเขา เขาก็มีผ้าสบายใช่ไหมผ้าสบายของเขาก็โยนผ้าสบายให้ใส่ผูหไหนมีเสือ้อกันหนาวเสื้ออะไรมาเขาก็เอาออกมาตัวนึงก็โยนให้ใส่ก็ฟังทำพุทธเจ้าก็จัดถึงเรื่องอนิจังทุกขังหน้าตาให้ฟังนี่แหละว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปนตามนั้นแต่น่าสนใจว่า คุณรัตนากลับไปนี่ลองไปเอาตักน้ําล้างเท้าดูนะอาจจะได้บรรลุธรรม <laughs> ตักน้ําล้างเท้าแล้วก็พิจารณาดูว่าเออถ้าหากเอาน้ํานี่มันก็ไม่เที่ยงนะมันก็ไหลถ้าหากว่าน้ํำมากมันก็ไหลา ย, ยาวหน่อยน้ําน้อยมันก็ไหลสั้นหน่อยตรงนี้ไม่เที่ยงนะมันขึ้นกับอายุนี่ก็ขึ้นกับปัจจัยของการมีอยู่ก็เห็นความเป็นอนิจจังทุกขั ง, ขงต า, งตางในขณะที่คนจริงนางได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วะเป็นพระโสดาบันแล้วนะ แต่ว่ายังไม่บรรลุปเป็นพระหรนอย่างเงแต่พอมาเห็นน้ํามันไหลแล้วก็พิจารณาปั๊บในจิตสกิดขึ้นมาแป๊บปิ้งขึ้นมาทันทีเลยนะเขาถึงสภาวะตรงนั้นจิตแจ้งสว่างว่าบขึ้นมาก็าได้บรรลุทำเป็นพระรหันในขณะนั้นนั้นแสดงว่าสมมปัญญาเนี่ยมันไม่ต้องไปนั่งศึกษาเรียนรู้อะไรเลยใช่ไหมแล้วถ้าเหตุปัจจัยที่เขาเรียกวิจัยอะสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะห น, น้าเราวิจัยลงไปขนาะนั้นเลย นี่เราทำมัวิจยะเพราะนั้นทุกขณะเป็นขณะแห่งการบรรลุธรรมได้ทั้งนั้นเลยแต่ขอให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างพิจารณาและวิจัยถ้าหาเราไม่มีสติเราก็ดูผ่านๆไปใช่ไหมความจริงวันๆนหนึ่งอะ่ะจุดที่จะทำให้เราเกิดเห็นธรรมเนี่ยหลายๆครั้งแต่เนื่องจากเราขาดรรมาวิจชยะคือเราไม่พิจารณาลงไปในขณะที่เราทำอะไร เวลาเราเปิดประตูอย่างเงี้ยนะเม่อค่อยได้พิจารณาโครมเข้าโครมออกเงี้นะโครมเข้ากับโครมออกนี่ข่ายสติแต่ถ้ามีสติมันจะเบาใช่ไหมฮะดึงเข้าก็เบาดึงออกก็เบาเนี่เห็นไหมไอ้ตัวธรรมวิจยะทีได้าใช้มันจะมันจะได้ทุกการสถานที่เลยแต่ว่าสติปัญญามันจะเกิดจะเกิดระดับไหนแค่นั้นแหละซึ่งเรื่องเหล่านี้ธรรมวิจยะจึงเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่จะทําให้เกิดตัวอนิจจังทุกขังนาฏตาแต่ทีนี้จะทํำยังไงให้มันปัญญามันคมอ่ะ ซึ่งทุงนี้คงจะเอาไว้ต่อวันอื่นนะตอนนี้ง่วงแล้วเนะี่ยตอนทวนารนำมาก็ง่วงไปหลายตลบเหมือนกันวันนี้นแหละ <c oughs> เละสนุกเลแสดงว่าคุณนิสสากได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วนะฟังธรรมสนุกแล้วนะวันนี้นะเออความจริงนะฟังแล้วมันก็เห็นไหมเออไม่ใช่ธรรมดานะใช่เราเราพูดถึงความจริงม <c oughs S 1> <ร>ันสนุกนะัสนุกอ <ค oughs S 1> ่าแต่คนส่วนใหญ่ก็ชอบฟังนิยายเนาะนิยายส่วนใหญ่ก็ฟงแต่งนะกออ น, นะครับตาบิดดกนะฮะว่ามีบางตอนที่พระพูดใหได้ที่มาเศไม่ได้ฉะ น, นั้นความจริงบางอย่างก็เลยหาไปแล้วความจริงบางอย่างผมนึ่บอกว่าอ้อถามความจริงครับความจริงนี่เป็นสิ่งแม่นมี่สามธรรมาเลยในวันนี้นะไม่ใช่ทํามะไดค้คือผตรงๆนะฮะผมไม่ได้ศึกษาแต <c oughs> ่ว่าผมกลมา เรียนมาทางศาสนาดีใช่ไหต้นโลกมันมีทั้งหลายศาสนาใช่แต่หลายศาสนาก็มีคนก็บรรลุไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปิดใจกว้างศาสนามีสิ่งที่ดีใช่เราก็เอามาศึกษาแต่คนไทยเราก็มีสิ่งที่ดีมากมากเราก็ศึกษาอยู่ทุกวันนี้เราเกิดในแผ่นดินไทยเราเราก็เราก็คือใจมาทางนี้มากกว่าแต่ว่าที่เรียนมาอย่างที่พูดถึงว่า อะไรอย่างคำพูดไม่เหมือนกันแต่ภาษาภาษาเนะของเราอย่างอย่างอย่างเราหายใจเนี่ยมันเขาพูดบาานบาลานซ์จให้ให้ให้คำถูกต้องทังองอย่างบารานพกิใจเรากเยวาวันนี้วันนี้ธรรมะเกิดโดนใจเขาเต็มที่เลยวันนี้นะขโมโมทนาเนะนั่นที่เพราะนั้นงานนี้ไม่ไม่เสียเวลาหรอกคุณธนิศักไงใจถงางมาถึงมาถึงไาองมาถึงมาถึงมาถึมางมาถรงมางมาถึงมง เออคิดถึงนะเออใช่คิดว่าตอนนั้นเลยใช่ใช่พบกันตอนนั้นใช่พบพบกันตอนนั้นก็หลายหลายหลายคนนะแต่คนที่ตามมาก็ปรากฏว่าเออมาลืมไปแล้วน่ยก็เลยเออนึกขึ้นได้นั้นเราจะเห็นว่าในเรื่องของการวิจัยทำเนี่ยถ้าหากว่าเราทํำไปอย่างถูกต้องนะในเมืองไทยของเราจะมีคนเห็นทำได้เยอะกว่านี้เยอะมากเลยแต่ส่วนใหญ่เราไปติดนิยายอ่ะ นิยามธรรมะใช่ไหมเราเรียนธรมธรมบทธรรมบที่ส่วนใหญ่เป็นนิยายทางธรรมไม่ใช่พุทธศาสตร์สนานะ<ม>แต่ว่าทางพุทธคุอาจารย์เนี่ยท่านเป็นพราม์มาก่อนท่านก็ไปจําออกคัมภี์พาารามแล้วมาใส่ในคัมภี์พูดอยังไงเรา<ม>ก็ไปติดเนื้อแท้ที่เป็นนิทาน<ม>เขาเรียกนิทานชาดกมีเฉพาะประโยค3ามเล่มนี่เนี่ยคำสอนครูทธเจ้านี่รวมแล้วได้สักเล่มนะแต่ว่าเป็นนิทานแค่เล่ม คนก็ไปติดในส่วนนั้นไงเพั้นพวกมหาเจ้าคุณทั้งหลายก็เอานิทานในหละประเทศให้โยมฟังโยมก็ได้ติดในทางนิทานก็เลยไม่ได้ถึงสาระของพุทธศาสนาคนของเราก็เลยมีมีความรู้เข้าใจในเรื่องความเป็นจริงน้อยไปธรรมวิจยญามันก็ไม่เกิดแต่ถ้าเรยังล้พูดกันอย่างวันนี้นะคนจะเข้าใจธรรมะเยอะนะนือเียวเหนยอคือี่กใช่ได้ดีอมไใส่น ใช่เอามาเอามาจะยกตัวอย่างนิดนึงว่าทำไมทำไมมันมันเป็นครอบงำกันอยู่อย่างอันแรกที่สุดเนี่ยพุทธิเจ้าตรัสว่ามนุปุพังขามาธรรมามนุเสรษามนุมยามานาัสซาเจบทุทเทนาพาสติวากาโลติวะตะโตนังทุกขมโนเวติจักกังว่าหัตุปดังพุทธิเจ้าตรัสไว้สบาดคาถาแค่นี้นะแต่ว่าพระครูสาจารย์ขยายความตรงนี้หนังสือเกือบครึ่งเล่ม เนี่ยที่ที่มันถูกกลืนนี่ยคำสอนพุทธเจ้าถูกพราหมณ์กลืนน่ยนั่นนะแล้วก็เอาเรื่องนิทานเรื่องนี้มาเล่าประกอบนิทานเรื่องนี้เล่าประกอบแล้วก็อ้างเหตุการณ์ในพุทธิย่าทั้งหมดนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่คนละเรื่องนะเรื่องเดียวกันแต่ว่าฟังแล้วมันกลมกลมกืนมากคนเลยแยกไม่ออกเอาเอาเรื่องของอ่านี่เข้าไปเล่าวันหลังก็จะเล่าให้ฟังว่าเรื่องมโนบุพังคมาคมาเนี่ยเป็นสวดที่เราสวดทุกวันว่าพุทธิย่าจัดเพียงแค่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานมีใจเป็นผู้นําเมื่อใจเราไม่ดีเราจะพูดจะทําก็จะไม่ดีความทุกข์ก็ตามมาแต่ถ้าเมื่อใจเราดีการพูดการทําดีความสุขก็จะตามมาแต่อันแรกนั้นทุกความทุกข์จะตามมาเหมือนกับเกวียนหมุนตามร้อยเท้าโคแต่ถ้าหากว่าเราทําดีพูดดีคิดดีความสุขก็จะตามมาเหมือนเงาตามตัวพุทธิจิตไว้แค่นี้แหละแต่ถ้าก็ยกนิทานมาประกอบเล่าเชื่อยาวยึดเลยทีนี้ก็เลย คนก็เลยไปติดตรงนั้นชาวพุทธของเราก็เลยกลายเป็นครึ่งพุทธครึ่งพราหมยเงินแล้วเราก็จะมาเรียกร้องว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาชำช้าที่เปิดปัญหาขึ้นมาเราก็มาสุ่เออมาจากตรงนี้เราก็มาหลุดเป็นสั้นๆจิตเป็นนายกลายเป็นเรือสติเป็นหางเสือปัญญาเป็นคนพายที่พุทธเจ้าที่ผมพ่อเทียนน่ะนะเอามาสรุปเป็นสั้นๆอย่างนั้นดังนั้นตรงนี้อาจารย์ชัยาเห็นว่าอะไรมีอะไรสรุปผมมุ่งนอนแล้วนะ <c oughs> อแล้วก็ในคำคืนวันนี้เราก็ได้สนทนาพูดคุยก็ได้ปฏิบัติกันมาเป็นส่วนใหญ่ก็มากันทั้งวันก็ค่อนข้างจะได้ปฏิบัติกันเยอะพอสมควรนะนะถึงว่าในช่วงระยะเวลาที่เราได้ปฏิบัติก็อาจจะตื่นบ้างง่วงบ้างอะไรนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเพียงแต่ว่าอย่านอนเท่านั้นเอง ถ้าถ้าไม่นอนนี่ถ้าไม่ถ้าไม่นอนให้ในช่วงกลางวันถ้าเราไม่นอนกลางวันอย่างเดียวเรานั่งทนสู้ไปได้เนี่ยก็คือนั่นแหละคือใจของเราแข็งพอแล้วแต่นั้นเราจริงก็จริงเปลี่ยนไปวันนี้เราได้ประสบการณ์อย่างนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ประสบการณ์อย่างอย่างวันนี้เดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นอีก แต่ว่ามันจะต่างกรรมต่างว่าละกันแต่นั้นเราจึงต้องรู้ว่าปัจจุบันนั่นนะที่ไปทำบุญก็มีแต่ค้าขายช่วยงานวัดแต่ท่านหรืูบาอาจารย์เมื่อวิญญาณท่านได้สิ้นภาพไปแล้วทุกท่านทำไมถึงมาสอนทำหน้าโยงเวลาท่านเสีย ท่านหลวงแก้ก็ย้อนไม่เคยนิจจักก็มาสอนธมะท่านหลวออกพ่อันนี้กันนิมนต์หลวงพ่อนะอ๋อเรื่องนี้ยาวมากผู้นี้จะเฉะลยนะวันนี้หมดเวลาเฉลยไม่ได้เรื่องนี้เรียกว่ามีประวัติศาสตร์ที่กระทั่งยาวยาวนานนะผู้นี้จะเข้าใจวันนี้เข้าใจไม่ได้เวลาไม่พอวันนี้ฝันไว้ก่อนนีก็นเลยกันไม่เข้าใจ มานโยมสอมนี่ามอย่ามาั่งใจก็โยมท่านเป็นพระให้เป็นายลวพมาอเฉยเลยนะก็พรุ่งนี้จะเฉลยนะก็ขอมุททนาสาธุในความตั้งใจที่เราได้มีศรัทธาที่จะมาสร้างตัวสมมาปัญญาขอให้ความตั้งใจนี้จะเป็นเพราะว่าปาให้เกิดตัว สมปัญญาด้วยกันทุกคนทุกทักนเธอ